รับต้องกำลงังความเจ็บช้ำมาเป็นเพื่อนใจชบชะตาลีคิดไว้ไคงยอมรับความจริงความผิดหวังดังใบไม้ที่ร่วงลงสูง่พื้นดินฉันก็คงเวลาที่ผ่านไปคงไม่ย้อนคืนกลับมา สิ่งที่สวยต้องเก็บไว้เป็นแค่เหมือนกระดาษมีสมหวังมีผิดหวังมันคือเรื่องราวของจริงฉันก็คงโ อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอ้ฉันเพิ่งเข้าใจพลังแห่งความรักก็วันนี้ฉันเพิ่งจะรู้ว่าทุกสิ่งไม่มีเอ ฉันยังหวังว่าสักวันรักเธอที่หาดังไฟฟัน ทำให้ความรักมันก็เป็นอย่างนี้ยินสมหวังเศร้าผิดหวังใครเล่าคือคนโชคดีตราบใดฟ้ามีจันทราเหมือนดังความหวังแห่งชีวิตฉันก็คง ฉันยังวังว่าสักวันรักแท้ที่หาดังไฟฟ้ามันเป็นสิ่งสวยงามรู้ไหมเธอเมื่อตะวันยังต้อ ก็วันนี้ฉันเพิ่งจะรู้ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนแต่ฉันยังหวังว่าสักวันรักเธอที่หาดังไปฝั่